สมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกสงสัยท่านคิดว่าสหายของพระเทาเจ้าก็คือเจ้าพระยามหากริย์ศึกผู้มีนามเดิมว่าด้วงซึ่งต่อมา ได้กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ในเมื่อพระเทราเจ้าบอกว่าไม่ใช่แล้วจะเป็นผู้ใดเล่าหนอกระผมสงสัยขอรับแสดงว่าสิ่งที่กระผมทราบมา ไม่ตรงกับความจริงและความจริงเป็นอย่างไรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามความจริงก็คือสหายของเราไม่ใช่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแต่เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อเราขึ้นครองราชได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาพระเทราเจ้าอธิบาย ยังความสงสัยของท่านพระครูให้ปราศนาการไปสิ้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมวัดดวงสมพา์วัดป่ามม่วงพูดคล้ายรำพึงพระเทระเจ้าช่วยเสริมว่าต่อมาได้กระทำพิธีปราบดาพิเศษ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จั ก, กรีในตอนแรกสหายของเราไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะความจงรักภักดีต่อเราประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเขาเกรงว่าประชาชนจะไม่ยอมรับและคิดว่าเขาเป็นกบฏเราต้องชี้แจงให้ฟังถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเรา เกลียกล่อมกันอยู่นานกว่าเขาจะยอมรับแล้วพูดกับท่านพระครูว่าท่านเองเมื่อครั้งที่เป็นแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลายก็มีตำแหน่งเป็นพริยามหากษัตรศึกท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเกิดจากพัญยาชาตินี้พัญยาของท่านมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกและไม่แต่งงานเพราะต้องการบรรลุธรรม จนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้ส่วนลูกชายของท่านเกิดเป็นผู้หญิงขณะนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียนเก่งและจะจบปริญญาเอกในอีกห้าปีข้างหน้าจากนั้นจะมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยายลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศสยามเขามีศรัทธาในพระาศาสนา จะปฏิบัติธรรมและตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นสามีและลูกสาวของเขาจะช่วยด้วยความศรัทธาวันหนึ่งเมื่อเขาปฏิบัติจนระลึกชาติได้เขาจะพาสามีและลูกสาวมากราบท่านทีวิตช่างเหมือนลิเกรโรงใหญ่นักขอรับกระผมเมื่อสมัยอยู่ที่วัดพรหมบุรีสมผานให้ไปหาเช่าเมน ก็บังเอิญไปพบแม่ในชาติที่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านหมายถึงแม่เชิญศรีพระบูเหียวอยากฟังเรื่องการกู้ชาติมากกว่าจึงพูดขึ้นอย่างแสนจะเกรงใจว่ากระพมอยากฟังเรื่องพระเทราเจ้ากู้ชาติขอรับเมื่อกี้ท่านเล่าว่าวันหนึ่งท่านอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียว จากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับพระเทระเจ้าจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นต่อเราได้สั่งให้ข้าหลวงไปตามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาพบเมื่อสหายของเราได้รับการบอกกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำ m รัสตรัสสั่งให้เข้าไปเฝ้าและให้มาในเครื่องแบบนักรบมีดาบมาด้วยเขาก็คิดว่า คงจะทรงใช้ให้ไปทําสงครามกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแน่คระะั้นมาเห็นเรานั่งอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวในชุดนุ่งขาวห่มขาวสหายของเราก็รยรออยู่ไม่กล้าเข้ามาเพราะเห็นเราอยู่คนเดียวและไม่มีอาวุธอยู่ข้างกายเลยเราจึงบอกว่าดวงเข้ามาสิเข้ามาหาข้าเอาดาบมาด้วย ท่านลองคิดดูถ้าสหายของเราคิดก่อกระบทจริงก็คงถือโอกาสตอนนี้แต่เพราะเขาไม่เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจจึงวางดาบไว้ข้างนอกและค่อยๆ ค, คลานเข้ามาใกล้หมอบอยู่ห่างประมาณวานหนึ่งเราก็บอกอีกว่าด้วงเข้ามาใกล้ๆเอาดาบของเจ้ามาวางไว้ข้างหน้าสหายของเรา คลานไปหาดาบแต่แทนที่จะเอามาไว้ใกล้ๆอย่างที่เราสั่งกลับกระทุ้งให้ไกลออกไปอีกแล้วจึงคลานเข้ามาใกล้ประมาณสองศอกมอบกราบถวายความเคารพเป็นอย่างดีเราจึงถามเขาว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเราพูดเท่านี้แต่สมเด็จเจ้าพระยามหากษตรศึกมีอาการตกใจนะัก ถึงกับมีเม็ดเหงือ่อผุดขึ้นบนใบหน้าก้มลงกราบแล้วก็ไม่ตอบว่าไรเราก็ถามใหม่อีกว่าดวงได้ยินหรือเปล่าข้าถามว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมสหายของเราตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเลยพระเจ้าคะ่ะอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วเราจึงถามเพื่อทดสอบว่า สิ่งที่สหายของเราตอบนั้นมาจากใจจริงหรือว่าต้องการพูดเอาใจเราต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเรากับสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกซึ่งเราจะยกมาตามที่พูดกันจริงๆภาษาที่ใช้อาจจะฟังไม่คุ้นหูท่านสักเท่าไหร่เพราะเวลาก็ล่วงเลยมากว่า200ปีแล้ว ประโยคสุดท้ายพระเทระเจ้าพูดกับพระบูเหียวภิกษุอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆรีบสนองว่ามีเป็นไรขอรับหากกระผมไม่เข้าใจก็จะเรียนถามอาจารย์ของกระผมเพราะท่านเกิดร่วมสมัยกับพระเทระเจ้าท่านพระครูนึกชมพระลูกศิษย์ตั้งแต่ตัดความหลงในสงสารได้สิทธิของท่านพูดจาฉะฉาน และเฉลียวฉลาดกว่าเดิมถึงสองเท่าตกลงกันได้ดังนี้แล้วพระเถระเจ้าจึงตั้งต้นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังครั้งยังเป็นราชามหากษัตริย์โดยยกคำสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ท, ที่สนทนากันในห้องพระเมื่อกว่าสองอปีล่วงแล้วมาเล่า ด่วงข่าวว่าทหารพมาร่ามาหาเจ้าบ่อยๆหรือมาครั้งเดียวพระเจ้าค่ะเขามาเรื่องอะไรเขามาถามว่ามีความสุขสบายดีหรือข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสบายดีเพราะในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาเวลานี้จึงมีความสุขมาก เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรสึกตอบเช่นนี้เราก็มั่นใจว่าสหายของเราไม่ได้คิดกระบฏไม่คิดมักใหญ่ไฟสูงดังที่คนพากันเข้าใจเข้าผิดผิดมาจนทุกวันนี้และเพราะเหตุนี้ที่เรามาพบท่านและมากับอาจารย์ของพวกเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานว่าสิ่งที่เราพูดแม้จะไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์พระเทระเจ้ากล่าวรับรองความถูกต้องในสิ่งที่ท่านเล่าท่านพระครูจึงพูดเสริมว่าขอรับกระผมจะนำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแต่คงจะต้องเลือกเล่าเพราะคนที่สติปัญญายังไม่ได้รับการพัฒนาอาจจะคิดอกุศล ทำให้เขาบาปเปล่ า, ลากระผมทราบว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้พวกเขาไม่จงรักภักดีต่อราชวงศ์จั ก, กรีและคิดเป็นกโกรธเป็นแค้นว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยท่อนจันทร์ถ้าพวกเขารู้ความจริงเรื่องนี้ จะได้หายโกรธแค้นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือบาปกรรมจะได้ไม่ติดตามเข้าไปในพพหน้าถ้าเขายังโกรธแค้นอยู่ก็จะมีเวรมีกรรมติดตัวไปไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้พระเทระเจ้าเสริมว่าเพราะเหตุนี้ที่เราต้องมาพบท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และจะช่วยทำให้คนมิชาทิฐิกลายเป็นสัมมาทิฐิได้หากเขาได้รู้ความจริงเรื่องนี้โดยเฉพาะคนจีนซึ่งเรารู้ว่าพวกเขารักเรามากถึงมิดาเราไม่ได้เป็นคนจีนอย่างที่ปรอวติศาสตร์บันทึกไว้แต่มารดาของเราก็เป็นคนจีนเราจึงไม่อยากให้คนที่รักเราต้องมาเป็นเวรเป็นกรรมเพราะความเข้าใจผิด ท่านจะช่วยคนเหล่านี้ได้เพราะพวกเขานับถือท่านพระเทเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูโดยปรยายกระพมอยากฟังพระเทเรา้า่เล่าต่อคอรับพระบูเหียวพูดขึ้นด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดส่วนหลวงพ่อในป่านั่งสมาธิหลับตาแต่สิทธิ์ทั้งสามก็รู้ว่าท่านกำลังฟังอยู่ เมื่อพระบูฮิเยวอยากฟังพระเถระเจ้าจึงเล่าต่อเมื่อเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเราจึงบอกเขาว่าดวงคาดจะให้เจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเอาไหมสหายของเรากราบถวายบังคมอีกครั้งพร้อมกับยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อคงจะคาดไม่ถึงว่า เราจะพูดแบบนี้กับเขาเหตุที่เราถามอย่างนี้เพราะสมัยที่อาแซวุลกี้แม่ทัพมาคยกทับมาตีพิษณุโลกเราได้ให้สหายของเราซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกยกทับไปรบกับอาแซวุลกี้ผู้มีสมญานามว่าคุณพลเท่าและเป็นแม่ทัพที่มีความชํานาญในการรบมากแต่เพราะสหายของเรา ฝีมือทัดเทียมกับขุนพลเท่าการรบจึงไม่มีใครแพ้ใครชนะสงครามติดพันกันอยู่นานอาแซวุนกี้จึงใช้อุบายขอพักรบหนึ่งวันและขอดูตัวแม่ทัพครั้นเห็นสหายเราก็พยากรณ์ว่าต่อไปท่านจะได้เป็นกษัตริย์ขอจงรักษาตัวไว้ให้ดีความจริงอาแซวุนกี้ไม่ได้เป็นโหร หรือมีความรู้ทางโหราศาสตร์แต่ประการใดหากเป็นลีลาของข้าศึกที่จะยุแย่ให้ไทยฆ่ากันเองบังเอิญคำพยากรณ์มาตรงกับความจริงโดยที่อาแซวุลกี้เองก็คาดไม่ถึงเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยที่เรากับสหายของเราบวชเป็นพระภิกษุวันหนึ่งเรากับสหายไปบิณฑบาตด้วยกัน สินแสผู้หนึ่งเดินสวนทางมาเขาก็หยุดมองหน้าเราเสร็จแล้วก็มองหน้าสหายของเราแล้วก็กลับมามองเราอีกเราจึงถามว่าโยมมองอะไรหรือหรือว่าอัตมานุ่งห่มไม่เรียบร้อยแกก็ยิ้มแล้วสายหน้าไปมาเดินเลยไปสักประเดี๋ยวก็เดินกลับมาอีกมิหนำซ้ำมายืนขวางหน้าเรากับสหาย และพูดด้วยเสียงดังลั่นจนคนทั้งหลายหันมามองเรากับสหายเป็นตาเดียวเขาพูดว่าอักษรจังอักษรจังจริงๆในหลวงสององค์มาบิงทบากลุ้ยกังท่านพูดสำเนียงเหมือนคนจีนเลยขอรับท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มก็เราเป็นลูกจีนโยมแม่เป็นคนจีนพระเทระเจ้าตอบ โยมตาของกระผมก็เป็นคนจีนขอรับกระผมต้องเรียกท่านว่ากุง๋งกุ๋งของกระผมใจดีมากแต่โยมยายดุชมัดพูดเหมือนบน่นพระเทระเจ้าพูดขัดขึ้นว่าถ้าไม่ดุท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงขอรับเพราะหลวงพอ่อซนแล้วก็เกเรมากวันไหนไม่ถูกโยมยายตี วันนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับพระบูเหียวรีบเป็นกองหนุนเลยถูกพระเถระเจ้าปรามว่าไม่เป็นการสมควรที่ศิษ์จะพูดถึงครูอาจารย์ในทางลบขอประทานโทษขอรับกระผมเพลินไปหน่อยนิมนพระเถระเจ้าเล่าต่อเถิดขอรับพระบูเหียวพูดพร้อมกับประนมมือนิมนพระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่า พอสินแสพูดเช่นนั้นผู้คนก็พากันสาธุแต่บางคนก็พูดขึ้นว่าสงสัยตะแปะนี่แกจะแก่จนหลงถึงได้พูดอะไรเละเทะเปลือเปื้อถ้าในหลวงไม่ได้ยินรับรองหัวขาดแน่เขาหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในที่สุดคำทำนายถ่ายทักของสินแสก็กลายเป็นความจริง กระผมคิดว่าสิ้นแสคนนั้นน่าจะมีความรู้ทางโหราศาสตร์นักขอรับท่านพระครูออกความเห็นเราก็คิดอย่างท่านแต่สำหรับอาแซวุนกี้เขามีความประสงค์จะให้เรากับสหายเป็นศัตรู ก, กันเพราะถ้าคนไทยรบกันเองแล้วพม่า ก, ก็จะกลืนชาติได้ง่ายเพราะฉะนั้น การที่เราสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเข้าเฝ้าให้แต่งชุดนักรบถือดาบเข้ามาด้วยก็เพื่อจะทดสอบใจสหายของเราว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามคำพยากรณ์ของอาแซวุนกิวหรือไม่แต่ไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรสหายผู้ซื่อสัตย์ของเราก็ไม่ยอมตกปากรับคำที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินบอกแต่ว่ามีความสุขแล้ว มีความชื่นใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังประกาศว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรักษาราชบัลลังก์ด้วยชีวิตหากมีผู้คิดทรยศ ต, ต่อพระองค์เมื่อเราได้ทดลองน้ำใจของสมเด็จเจ้าพระยามหากตรศึกจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงพูดแบบเพื่อนพูดกับเพื่อนว่า ด้วงต่อไปเจ้าจงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนข้านะเจ้าเป็นเพื่อนข้าแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุดตรีดมากข้าไว้วังใจเจ้าเมื่อเราพูดอย่างนี้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ยังนิ่งอยู่ในท่าหมอบกราบเราจึงบอกอีกว่าด้วงลุกขึ้นนั่งให้สบายเงยหน้าขึ้นเวลานี้ไม่มีใคร เราอยู่กันสองคนไม่ต้องเคร่งเรื่องระเบียบประเพณีนักหรอกข้าก็ถือว่าด้วงเป็นเพื่อนของข้าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ต่อไปนี้เจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะข้าจะสละราชสมบัติแต่การที่จะสละราชสมบัติเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีกุศโลบายเพราะมีเงื่อนไขต่างๆมากมาย ที่จะต้องทำตามสหายของเราพูดขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้ารับไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะพระองค์ก็มีพระราชโอรสในเมื่อพระองค์จะทรงสละราชสมบัติก็ควรจะให้แก่พระราชโอรสเราจึงบอกเขาว่าดวงความจริงลูกชายข้าเขาก็เป็นคนดีนะมีคนรักเขามากทหาร ข้าราชการทั้งหมดก็รักเขาแต่ข้าให้เขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองของเรายัางไม่มั่นคงนะักเพิ่งกู้ชาติได้ใหม่ถ้าลูกข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะกลายเป็นหุ่นให้เขาเชิดไปเขาครองเมืองไม่ได้ด่วงจะต้องครองเมืองเพราะข้าไม่เห็นใครที่จะมีความเข้มแข็ง สามารถรักษาเมืองต่อไปได้นอกจากเจ้าสหายเราแย้งว่าเวลานี้พระองค์ก็ยังไม่ทรงชราภาพจึงยังไม่ควรจะสละราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็ชาวจีนด้วยถ้าขาดพระองค์เสียข้าพระพุทธเจ้าถลิงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินความดี ก็คงจะมีไม่ถึงพระองค์ความเชื่อถือของบุคคลทั่วไปก็จะไม่มีเท่าที่มีในพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าประเทศชาติอาจจะต้องสลายไปก็ได้เมื่อสหายของเราพูดมาอย่างนี้เราจึงต้องเล่าความจริงให้ฟังว่าดวงเวลานี้ข้าเป็นหนี้ชาวจีนเขาอยู่หกหมื่นตำลึงความจริงเงินจานวนเท่านี้ ถ้าหากเขาจะให้เราผ่อนใช้เราก็พอจะหาได้แต่ทางจีนเขาต้องการจะยึดประเทศไทยไปเป็นประเทศของเขาเขาต้องการจะกลืนเราเขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจานวนนี้ให้ได้แล้วเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนเข็นใจมากเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเงินในท้องพระคลัง ก็ไม่มีสักแดงเดียวเวลานี้เบี้ยวหวัดเงินปีของข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนก็ยังติดค้างเขาอยู่มากข้าได้กู้เงินจากประเทศจีนมาใช้จ่ายเวลานี้ข้ากันเงินไว้สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเงินสำหรับให้แก่ข้าราชการเป็นเบี้ยวหวัดเงินปีที่ค้างค้างอยู่อีกส่วนหนึ่ง เป็นเงินที่ข้าเก็บรักษาไว้เพื่อเจ้าจะได้มีใช้จ่ายเมื่อเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนไม่มีเงินทองมีความลำบากมากข้าเห็นใจจึงไม่อยากให้เจ้าเป็นอย่างข้าแต่เรื่องที่จะต้องให้เจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีอยู่ว่าเมื่อเจ้านี่เข้ามาทวงข้า เมื่อข้าพ้นจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสร็จแล้วเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้สินนี้แทนข้าเพราะเป็นคนละคนกันที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะข้าคิดจะโกงเขาแต่เขาจะเอาเราไปเป็นประเทศของเขาเขาคิดไม่ดีกับเราก่อนเราก็ต้องหาทางป้องกันรักษาประเทศของเราไว้ แต่การที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจูจ่ๆจะยกให้เจ้าเป็นแล้วข่าสลับราชสมบัติอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะเขาจะรู้เท่าทันแผนการของเราเราจึงต้องใช้กูสโลบายที่แยบยนเวลานี้เมืองขเขมรเกิดจราจน่าจะให้เจ้ากับเจ้าพระยาสุรสีน้องชายของเจ้า ยกกองทัพไปปราบเมืองคเมรแล้วเวลาที่เจ้าไปก็ให้เอาลูกชายของข้าไปด้วยถ้าตีเมืองคเมรได้เมื่อไรก็ให้ลูกชายของข้าครองเมืองที่นั่นแล้วข้าอยู่ทางนี้ก็จะทำเป็นวิกลจริตแล้วก็จะแนะให้ข้าราชการบางคนที่นี่จับข้าบวชเสียข้าก็จะทาเป็นบ้า ไม่สามารถจะปกครองประเทศต่อไปได้เมื่อเจ้ามาก็ให้ทำพิธีปราบดาพิเศษเถลิงราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วในประเทศข้าไปอยู่หัวเมืองเสียเรื่องมันก็หมดเท่านี้เรื่องหนี้สินต่างๆก็เป็นอันว่าหมดกันไปพระเทระเจ้าเล่าเรื่องราวของธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ แต่กระผมรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้หมดเท่านี้นะขอรับเพราะต่อมาหลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกระทำพิธีปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนจีนเขาเสะเทือนใจและขุนข้องแค้นเคืองมาจนทุกวันนี้กระผมไม่เข้าใจว่า เหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านจะกรุณาอธิบายให้กระผมหายค้องใจได้ไหมขอรับท่านพระครูกราบเรียนท่านคงหมายถึงเหตุการณ์ที่ลูกหลานเราถูกจับลงเรือลอยไปในปากอ่าวแล้วเรือล่มทำให้ตายกันทั้งลําเรือ คนก็พากันเข้าใจว่าเป็นการกระทำของสหายเราและน้องชายของเราซึ่งความจริงแล้วสหายของเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความหลงในสงสารคนที่มักใหญ่ไฟสูงต้องการเป็นใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายคนหลายกลุ่มเลยทำให้เกิดกระบฏดซ้อนกะบฏดวุ่นวายกันไปหมดอย่าให้เราเ อ, อ่ยชื่อเลยว่า มีใครบ้างเพราะจะเป็นที่อภยศของบรรดาลูกหลานเหลนของเขาซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเอาเป็นว่าเราจะเล่าความจริงให้ท่านฟังอย่างย่อๆคือเมื่อเกิดกระบทซ้อนกระบทหมายความว่ามีพวกที่คิดกระบทต่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อ้างคำสั่งของพระองค์ให้นําลูกหลานเราไปลอยเรือ และฆ่าเสียทั้งที่ในหลวงราชการที่หนึ่งท่านทรงตั้งพระไทยที่จะให้ลูกหลานเราอบพยพไ ป, ปอยู่นครศรีธรรมราชซึ่งเราไปบวชอยู่ที่นั่นแต่พวกกบฏถือโอกาสฆ่าเสียเพื่อต้องการกระจัดเสี้ยนน้ำประการหนึ่งและอีประการหนึ่งก็หวังจะได้รับความดีความชอบจากในหลวงคนพวกนี้ในที่สุด ก็ได้รับกรรทันตาเห็นเราคิดไม่ผิดที่เลือกสหายของเราให้ขึ้นครองราชแทนที่จะเป็นลูกชายของเราเพราะราชวงศ์จักรีได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาถึงปัจจุบันและคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเราเพราะถ้าเราไม่บวชก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารลงได้เลย พระเทวะเจ้ากล่าวด้วยความระลึกนึกถึงบุญคุณของสหายสนิท